วันที่4กันยายนสองพนห้ารจังหวัดอุดรธานีเราบวชมาในพระศาสนาไม่ได้บวชมาเพื่อฟังข่าวของพระพุทธเจธ้าแลสาวท์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียว ต้องนำข่าวของท่านมาปฏิบัติว่าท่านดำเนินอย่างใดยิงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์และปรากฏองค์มาเป็นสาธดาและเป็นเสนณะของพวกเราข่าวของท่านเป็นข่าวพ้นทุกข์โดยมากเราผู้สนใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ต้องจับเอาต้นเหตุคือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านที่ได้รับผลมาแล้วว่าต้นเหตุเป็นมาอย่างไรไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างพระพุทธทเจ้าและสาวกทั้งหลายเช่นผลไมาต่างๆเราจะมองดูแต่ลูกผลซึ่งเกิอดอยู่บนลำต้นโดยทต่เดียวโดยไม่คำนึงว่า ผลไม้นี้เกิดมาได้อย่างไรและต้นผลนไม้นี้อาศัยอะไรเป็นอาหารปุ๋ยประเภทใดที่ถูกกับผลนไม้ต้นนั้นๆจึงดังผลให้ปรากฏขึ้นได้รับประโยชน์ข่าวแห่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีข่าวแห่งสาวกที่ได้ตรัสรู้ตาม พระองค์ท่านก็ดีนี่เป็นข่าวส่วนผลแต่ข่าวเหตุพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินอย่างใดกินได้รับผลอันสมบูรณ์เราบวชมาในพระศาสนาจึงไม่ควรรอฟังข่าวของท่านซึ่งเป็นผลโดยถ่ายเดีวยดวที่ถูกต้องฟังทั้งผลที่ท่านได้รับด้วย ทั้งเหตุที่ท่านดําเนินด้วยข้อปฏิบัติอันยังผลนั่นให้ปรากฏขึ้นด้วยแล้วน้อมเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนตอนเองแต่ละท่านว่าทางจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นหรือบ้านนั้นเมืองนั้นมีทางไปได้อย่างไรเขาไปทางสายใดจึงถึงที่หรือเมืองนั้นนั้น เราต้องจับต้นทางเป็นของสำคัญทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกดำเนินเป็นทางที่โลกโลกไม่ชอบดำเนินกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงต่างจากโลกเมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วโลกต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าว่าท่านพระสวดจริง พระธรรมที่เกิดจากพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมประเสริฐและสาวกทั้งหลายก็กลายเป็นผู้ประเสริฐจากบรรดาโลกทั่วไปทางสายนี้เป็นทางเดินลาบากยากอยู่เพราะเกี่ยวกับการบังคับทั้งการไปการอยู่การหลับนอนการฉัน และการถ่ายเทยต่างๆนอกจากนั้นยังมีการบังคับทางด้านจิตใจมีรั้วกันอยู่รอบด้านจึงจัดมาเป็นทางที่สัตว์ทั้งหลายผู้ต้องการจะไหลไปตามกระแสะแห่งความอยากของตนจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าและสาวกได้โดยยากแต่ถ้าผู้ใด ฝืนดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าและสาวกดำเนินไปแล้วผู้นั้นจะต้องถึงฝั่งแห่งความกเกษมคือพระนิพพานเวลานี้เราทั้งหลายต่างก็คาดเครื่องลบเต็มตัวอยู่แล้วเครื่องลบของเราทุกทิ้นที่เป็นหลักธงชัย อันสืบเนื่องมาแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าที่ทรงได้ชัยชนะมาแล้วเครื่องรบนั่นคือโดยฐานแปที่ประธานให้ผู้บวชเป็นพระเป็นเนนในพระพุทธศาสนาได้แก่บาทกระบงกีวรสังคาติประพุทเอว มีโกนเครื่องกรองน้ำและกรองเข็มนี่คือเครื่องรบของนักบวชที่ประธานให้เป็นมรดกนับแต่วันอุปสมบทมาปัญญาตนเป็นสิทธิพระถาคตและทรงชี้วิธีปฏิบัติและทางนำเนินเพื่อชัยชนะห้าสิคือี่เลได้แก่โลภะโทสะโมหะ อันเป็นส่วนภายในของตนทุกกรณีแต่ประโยคส้ำคัญคือตัวของเราบัดนี้เราได้คาดการลบไว้มากน้อยเท่าไหร่เพื่อนำใจชนะมาสูต่ตัวเราเองเครื่องมือในการลบคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกไปตามมัชิมาปฏิปทามีแปดคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เป็นองค์แห่งปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นองค์แห่งศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นองค์แห่งสมาธิรวมแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวก ท่านเดินสายนี่แหละซึ่งโลกทั้งหลายเดินได้โดยยากเบื้องต้นพระองค์ทรงนำเนินพระองค์เดียวก่อนใครในโลกเมื่อถึงฟังแห่งความปลอดภัยแล้วจึงทรงพระเมตตานำรมที่ในจัตุรุมาประกาศสั่งสอนแจกโปวงสดภูมีวิญญาสัยไข่ต่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วพอได้สะดับธรรมที่ทรง ประกาศสอนต่างก็มีความสนใจใครจะฟังข้าออัดข้อธรรมคือหลักความจริงจากพระพุทธเจ้าและเกิดความเชื่อความลุ่มใสบางไรายได้สําเร็จมรุผลต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีโดยเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้าง และเป็นพระหรหันต์บ้างมี่ผลเกิดจากความเชื่อความน้่มใสในหลักความจริงที่พระ อ, องค์ได้ประกาศไว้แล้วอย่างไรบางรายนำข้อธรรมที่ได้สนับแล้วไปประพฤติปฏิบัติโดยลำพังตนเองในสถานที่ต่างๆและได้สำเร็จมักผลอยู่ในที่นั้นๆเป็นจำนวนมากเฉพาะนักบวชชอบเที่ยวอยู่ในที่ ตั้งหนักวเวกโดยมากเมื่อเกิดข้อข้องใจในส่วนเห่งธรรมขึ้นมาก็เข้าไปทูลถามเมื่อทรงชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดเป็นสาวกอรหันขึ้นมาและเป็นพยานแห่ง ธรรมของจริงที่พระองค์ทรงรู้เห็นว่าไม่เป็นโมคะธรรมสําหรับสัตว์ทั้งหลายคำภาสาวกแปลว่าผู้สนับหรือแปลว่าผู้ฟังฟังทั้งเหตุดีเหตุชั่วผลดีผลชั่วฟังทั้งเรื่องของตนเองทั้งเรื่องของคนอื่นที่เป็นความกิดและความถูกซึ่งจะเคลื่อนทางกายวาจาใจ สาวกทั้งหลายไม่มีความทอดแท้ไม่มีความอ่อนแอในการบำเพ็ญศีลสมาที่ปัญญาให้ถึงไปวันย่างคำ่ำคืนย่างรุ่งสาวกทั้งหลายถือเป็นเรื่องความเพียรทางนั้นฉะนั้นประวัติของพระสาวกที่ท่านผ่านพน้นอุปสรรคคือกองทุกไปได้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความอาหารร่าเริงต่อสถานที่อยู่อันเป็นที่สงัดยิ่งยิ่ มีความร่าเริงต่อความเพียรแต่ข่าวของพวกเราจะเป็นอย่างไรจงน้อมข่าวของท่านมาดำเนินด้วยความกระหายและมักน้อยในปัจจัยเรื่องอาศัยตลอดที่อยู่ที่อาศัยทั้งอารมณ์เรื่อลบกวนใจจงพยายามตัดทอนให้น้อยลงอารมณ์ใดเป็นไปเพื่อความก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอารมณ์นั้นท่านเรียกว่าสมุทยัยแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ จงพยายามตัดทอนให้น้อยลงหรือเบาบางเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของมรคคือศีนสมาธิปัญญาถ้าเราอ่อนต่อความเพียรเพื่อละกิเลสแล้วอย่างไรจะเอาตัวไปไม่รอดเพราะวันนี้กับวั น, นี้เป็นความมืดความสว่างอันเดียวกันไม่เป็นผลดีผลชั่วอันใดที่จะให้กิเลส หมดไปจากเราและจะให้กิเลสเกิดขึ้นในใจของเราได้นอกจากความเคลื่อนไหวของกายมาจาใจเท่านั้นที่จะให้เกิดที่จะให้กิเลสหมดไปและเป็นการสังสมกิเลสขึ้นมามีอยู่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นจงน้อมข่าวของพระพุทธเจ้าและข่าวสาวกมาเป็นข่าวของเราอย่าประมาทนอนใจอยู่เปล่า และเสียประโยชน์อันยิ่งยวดซึ่งควรจะได้ในความเป็นมนุษย์และความเป็นนักบวญนายินแต่ข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรและหลบซ่อนตรงอยู่ในป่าอันเป็นที่ไม่วุ่นวายและลบกวนด้วยเรื่องใดๆมีตนส่งไปในความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน มีสติสัมปชัญญะประกอบองค์ความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนได้ยินแต่ข่าวท่านสาเร็จพระโสดาสำเร็จพระรจระิตาพระอนาคาและพระอรหันต์ไม่ได้ยินข่าวเราทำไมจึงไม่ได้ยินข่าวเราก็เพราะสามวกท่านปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้สำเร็จผลอย่างนั้นส่วนเราไม่ได้ปฏิบัติตนอย่างนั้น จึงไม่ได้สาเร็จผลอย่างนั้นขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติตามแบบของท่านโดยถูกต้องข่าวนั้นก็จะสะท้อนย้อนมาเป็นข่าวของเราจนได้เรื่องโอกาสวาสนาอํานวยนักบวชเรานับว่ามีโชคกว่าใครๆในการประกอบความเพียรเพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์ถ้าเราว่า ไม่มีโอกาสทั้งทๆ ท, ท, ที่เราอยู่ในเพศที่มีโอกาสนี้แล้วก็ไม่มีใครจะมีโอกาสและความว่างในโลกให้เหนือจากเราไปได้ถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ว่าปฏิบัติไม่ดีเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดจึงจะปฏิบัติ ด, ดีเราอยู่ในสถานที่นี้ว่าไม่วีเราบวชในเพศนี้ว่าไม่ดี เราจะไปอยู่ในเพศไหนจึงจะดีโลกธาตุนี้วุ่นวายเต็มไปดิวกองทุกข์ทั้งนั้นอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนไม่มีเกาะใดดอนใดพอจะมีความร่มเย็นเป็นสุขนอกจากเกาะหรือดอนแห่งศีลธรรมเท่านั้นเกาะดอนแห่งศีลธรรมเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขใครได้ก้าวมาพึ่งร่มเงา แม้แต่ชั่วระยะเพียงเล็กน้อยก็ได้รับความร่มเย็ดจะเห็นใกล้ๆเช่นผู้มีความเชื่อเรื่องสายในพระศาสนานำทำคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตนเองก็ยอมได้รับความสะดวกกายสบายใจเฉพาะในวงอบครอบครัวก็มีความสุขเพราะไม่มีความระแวง สงสัยในความประพฤติค้องกันในกันระหว่างคู่สามีภรรยาต่างจะมีความสุขเพราะความไว้วางใจต่อความประพฤติค้องกันในกันซึ่งต่างก็มีธรรมคือความมากน้อยและสันโดษในคู่ครองของตนเท่านั้นไม่มีความใส่ใจใยดีกับหญิงชายใดๆซึ่งนอกจากคู่ครองของตนแม้จะไปทำงานในบ้านนอกบ้านก็เป็นการเป็นงาน นำผลประโยชน์มาสู่ครอบครัวของตนด้วยความทุ่มชื่นเบิกบานจิตใจทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาต่างมีความรักใกล้วางใจต่อกันในทางอารมณ์ไม่มากมากในหญิงชายอันเป็นฆาตติเครื่องทําลายครอบครัวและสิ่ธรรมเพียงครอบครัวหนึ่งๆปฏิบัติตนต่อกันเท่านี้เรื่องกองทุกข์ขนาด ปวดร้าวในหัวอกพวกท้าในหัวใจจะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆเลยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความร่มเย็นให้ทั้งคราวากและนักบวชได้ดไดเป็นอย่างดีเพราะทาเป็นธรรมชาติเย็นอยู่แล้วใครปฏิบัติตามผู้นั้นต้องได้รับความเย็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาตามกำลังความสามารถที่ตนได้ก่อ อันดีไว้เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มีโอกาสด้วยวาสนาขออำนวยด้วยถ้าเราอยู่ในเพศ น, น, น, น, นี้ไม่เย็นเพศไหนจึงจะเย็นกว่าเพศนี้ไม่มีถ้าเราอยู่ในทีน่นี้ไม่เย็นเราจะไปอยู่ที่ไหนจึงจะเย็น เรานั่งสมาธิภาวนาให้เย็นยังกลับร้อนเราจะทำอย่างไรจึงจะเย็นเรารักษาศีลว่าเป็นของเย็นก็ไม่เย็นนั่งสมาธิว่าเป็นของเย็นก็กลายเป็นของร้อนเราฝึกหัดอบรมปัญญาให้มีความเฉลาดสามารถตัดทิเดศอาชาวะให้หมดจากใจก็เห็นว่าเป็นของร้อนแล้วอะไรเล่าจะทำความเย็นให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราในโลกนี้ มีที่ไหนบ้างซึ่งจะเป็นที่เย็นพระพุทธเจ้าและสาวกก็ทรงสแสวงหามาก่อนพวกเราแล้วไม่ทรงพบว่าที่ไหนจะเป็นที่เย็นกระถ่ายจึงได้เสด็จออกบวชแสวงหาที่เย็นบวชแล้วทรงสแสวงหาที่เย็นอยู่ถึงหกปีไม่ทรงปรากฏที่ไหน พอปรงุงพระไทยเชื่อถือได้ว่าที่นั่งที่นี้น่าจะเย็นจนสุดพระไทยไม่ปรากฏมีที่ไหนเลยในนวกกว้างแสนกว้างจึงทรงย้อนเข้าสู่ป่าอันเป็นที่เงียบสงดัดซึ่งใครๆเขาไม่ปราถนาด้วยทรงย้อนกระแสใจเข้าสู่ป่าคือแดนแห่งที่เหลวซ่องสมอยู่ภายในกายและภายในใจด้วย ทรงยังอิจเข้าในอริยสัจสีพิจารณาทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลค้นคว้าลงถึงตัวเหตุอันเป็นแรงผิดทุกข์ให้สัเสวยไม่มีวันจบขึ้นทรงกำหนดเริ่มต้นแต่อนาปานาาสติอันเป็นส่วนหนึ่งของกายเข้าไปเป็นลำดับถึงจวนนามธรรมคือเวทนาทั้งสามได้แจสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในกาย และภายในใจตลอดการพร้อมทั้งสัญญาผู้หมายมั่นในเวทนาทั้งสามนี้และสังขารผู้ปรุงแต่ในเวทนาทั้งสามให้เป็นไปตามใจแลวิชาผู้บงการแม้วิญญาณผู้รับรู้ในเวทนาทั้งสามก็ถูกพระพปัญญาของพระองค์เจ้าตามพระหัตถพระหานโดยไม่หยุดยั้งในคืนมณิษาขมา ขันทั้งห้าอันเป็นกองแห่งอริยสัจซึ่งเต็มเปื้อยทุกสมุทยัยได้ถูกพระปัญญาของพระองค์เจ้าไล่ตะล่อมเข้ารวมจุดไม่มีที่ปลีกออกได้พระอนาจพระปัญญาวานล้อมขอบคิดหมดแล้วจึงวิ่งหมุนติ้วลงสู่อุโมงค์ใหญ่อันเป็นป้อมค่ายของอมิชา ที่ทำหน้าที่สั่งงานคือพระปัญญาของพระพุธทธเจา้าตามค้นดูรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณจนแจ้งชัดแล้วผลในตอนนี้ปรากฏว่าอาการแห่งขันตั้งหา้าบอกสาเหตุยินในตัวว่ามาจากป้อมค่ายของอภิชาเป็นผู้สั่งงานแต่ผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ท่านทรงหมดความติดเะไทยในขันห้าว่าไม่ใช่ตัวโจรคือกิเลสแน่แ้วก็ทรงยังพระปัญญาขุดค้นตามเข้าไปจนถึงป้อมข่าของหัวหน้าวัตตะจักรคืออวิชาทรงพิจารณาถอยออกขยับเข้าตามความกระเพื่อมของอวิชาแสดงตัว ด้วยพระปัญญาที่ทันสมัยระยะนี้ท่านเรียกว่าพิจารณาปัจจยาการคือความติดต่อของอวิชาจะสั่งงานไปตามขันหรือตามอายตนะซึ่งเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือของอวิชาแต่มาถึงระยะนี้แม่อวิชาจะแสดงตรงหรือแสดงใบประการใด วิชาคือพระปัญญาของพระองค์รู้เท่าทันเพลงของอวิชาหมดแล้วขณะนี้อวิชากําลังถูกจับตัวเจ้าหน้าที่คือพระปัญญากําลังห้อาวิชาขี้ของกลางที่เคยไปเที่ยวฉกทักต้นกี่ของเขามาในขณะเดียวกันก็เป็นเชิงฝึกซ้อมพระปัญญาให้มีความฉลาดร อ, อบขอบยก่ขึ้นและเป็นการสังหาร จะสังหารอวิชชาอยู่ในขณะนั้นแล้วการพิจารณาความเคลื่อนไหวของอวิชชาก็ดีการพิจารณาอวิชชาโดยตรงก็ดีทุกๆขณะท่านผู้ฟังโปรดทราบว่าเป็นวิธีการจะสังหารอวิชชาอยู่ในตัวแนวเมื่อทรงอย่างพระปัญญาลงสู่จุดกลมแห่งวัฏจักรพิจารณาไม่หยุดยั้ยงทั้งเห็นว่าเป็นบ่อแห่งกองทุกข์ท้องมวล ทั้งเห็นว่าเป็นบ่อแห่งความแปรสภาพอยู่รอบตัวทั้งเป็นบ่อแห่งอนัตตาทั้งมวลและถือเป็นเราที่ไหนทรงพิจารณากลับไปกลับมาจนทราบชัดด้วยพระปัญญาว่านี่คือตัวก่อเรื่องให้ยุ่งไม่มีเวลาสงบหยุดได้แม้แต่ขณะเดียวชื่อว่าเรื่องสมมติทั้งหมดไล่ลงรวมอยู่จุดเดียวมีทั้งนั้น นี่คือแรงผลิตทุกทั้งมวล้าแรงนี้ไม่ถูกทำลายเสียเมื่อใดทุกซึ่งเป็นสิ่งสำเร็จรูปมาจากแรงผลินี้จับเป็นไปตลอดอนันตาการไม่มีวันตบสิ้นลงได้นี่คือต้นเหตุแห่งทุกอันใหญ่หลวงถ้าไม่ดับต้นเหตุนตี้เสียทุกจะดับไปไม่ได้เพราะความหลงต้นเหตุ นี่ว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งทั้งมวลซึ่งเกิดจากต้นเหตุนี้จึงกลายเป็นเราเป็นเราเป็นของเราไปเสียทิ้งเช่นทุกข์ก็กลายเป็นเราเป็นของเราสมุทัยส่วนย่อยก็กลายเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเพราะสมุทัยส่วนใหญ่กลายเป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วที่นี่ก็ลุกลามออกไปว่าดีทั่วสุขทุกข์ ได้เสียดีใจเสียใจเป็นเราเป็นของเราเรื่องเราจึงระบาดไปทั่วโลกยิ่งกว่าโรคระบาดที่น่ากลัวกันเสีอีกแท้จริงมาจากต้นเหตุเพียงอันเดียวเท่านั้นคืออวิชาปัจญาสังทาราต่อเป็นพืชไปทั่วพบทั่วชาติทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตยิ่งความมหาสมุทรทะเลอวิชาปัจญานี้ จทนต่อจอบเพชรและพระปัญญาเพชรที่พระองค์ุดค้นฝาดฟันอย่างไม่ท้อถอยไปไม่ได้วัตจาได้ถูกถล่มจมลงไปด้วยอำนาจพระปัญญาของพระพุธทธเจ้าพระวิชาวิมุตได้หลุดลอยขึ้นมาในขณะอวิชาดับลงไปในปัจฉิมยามของนาตรีเดือนหกเป็นพระจันทร์เต็มดวง อมปดีโปพระธรรมอันเต็มดวงในพระไทยก็ได้ปรากฏขึ้นในวันเดียวกันเป็นอันว่าในคืนวันนั้นพระจันทร์กับพระธรรมได้โครขึ้นจากกรีบเมฆพร้อมๆกันซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งในโลกปัจจุบันไม่เคยมีเราทั้งหลายได้ทราบ ในทัพรประวัติปรากฏดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสวงหาความร่มเย็นอย่างเราๆที่ไหนก็มีสมงพบเมื่อพระองค์ทรงย้อนพระทัยเข้าสู่ป่าอันเป็นที่สงดสิเวศและย้อนเข้าสู่ป่าคือกองแห่งอริยสัตสีอันเป็นรากฐานควรได้ทรงพบความร่มเย็นได้แล้ว ก็ทรงพบจุดจบแห่งกองทุกทั้งมวลและทรงพบความเย็นยันอัศจรรย์ขึ้นในกี่นั้นความร้อนก็เกิดในพระองค์ผู้เดียวและความเย็นก็เกิดในพระองค์คนเดียวกันแม้ความโง่ความเฉลายก็จะเกิดในคนคนเดียวกันนั้นฉะนั้นจงทราบเถิด ว, ว่าไม่มีที่ไหนจะร้อนยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเลส และสถานที่อยู่ของคนผู้ต้องโทษซึ่งถูกคุมขังก็อสถานที่ที่จะยกกิจออกจากที่คุมขังคือเล็กนั้นเหมาะที่จุดตามทางพระพุทธเจา้าคือป่าหรือสถานที่ที่อยู่นมัด น, นี้และการกระทำเซื่องกรรมนี้ยังทำอยู่ในขณะ น, นี้จะเป็นไปเพื่อความยืดเยืนนในใจและความหลุดพ้นโดยไม่กับ มาเกี่ยลุ่มู้ดลุมคู่นี้อีกพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านประทับอยู่ในที่สังกัดดิเวสเช่นนี้ mm hmm. อันเป็นที่ประกอบความเพียรโดยสะดวกฉะนั้นเราทั้งหลายจงอยู่อย่างท่านจงมีความรักในสีมีความรักในสมาธิมีความรักในปัญญามีความรักในความเพียร เพื่อความอยู่สบายในอีเิียบ ท, ทั้งปวงมีความรื่นเริงบันเทิงในงานที่ชอบคือการตอดถอนที่หลึกเป็นจุดสาคัญที่กล่าวนี้เป็นความสั่งัดภายนอกในส่วนแห่งกายและความสั่งัดภายในใจมีความสงัดภายนอกเป็นที่อยู่ของกายมีความสั่งหยัดภายในเป็นที่อยู่ของใจสถานที่เหล่านี้ มีความรุ่มเย็นและสะดวกแต่การประกอบความเพียรและเป็นข่าวดีแก่ผู้สนใจปฏิบัติธรรมข่าวของพระพุทธเจ้าและสาวกก็เป็นข่าวอย่างนี้ข้อสาคัญจงเป็นผู้มีสติระวังความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอไปที่ไหนอยู่ที่ใดให้มีธรรมหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่เสมออย่านําโลกมาหล่อเลี้ยง และถือเป็นความสนิทสนมคมามโลกท่านลงได้เข้าสิงหัวใจของใครแล้วจะเป็นไฟขึ้นมาที่ใจดวงนั้นผลที่ปรากฏขึ้นจากไฟก็คือความรุงร้นอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายตามท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามีสุนัขยิ่งจอกตัวหนึ่งมีแผลอยู่บนทีษะรถูกน้อนเจาะน้อนชทยกัดกินอยู่ทั้งวันทั้งคืน นัขตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่ในร่มไม้ก็หาว่าร่มไม้ไม่สบายไปอยู่ในที่แจ้งก็หาว่าที่แจ้งไม่สบายไปอยู่ที่ลับก็หาว่าไม่สบายไปนอนแค่น้ำก็หาว่าไม่สบายวิ่งขึ้นอยู่บนบกก็หาว่าไม่สบายไปอยู่ที่ไหนก็หาว่าที่นั้นๆไม่สบายวิ่งไปวิ่งมา ไม่เป็นอันจินอยู่หลับนอนเพราะเข้าใจว่าทุกมีอยู่ในสถานที่ต่างๆไม่คิดว่าทุกมีอยู่ที่แผลบนทิศะพอแผลบนทิศะของสุนัขหายไปเท่านั้นสุนัขตัวนั้นอยู่ที่ไหนก็สบายมีเมื่อเทียบกับพวกเราผู้มีแผลอยู่บนทิศะคือหัวใจถูกนอนคือกิเลส กัดชัยกินอย่ตลอดเวลาคือทางรูปก็กัดเข้ามาทางเสียงก็กัดเข้ามาทางกลิ่นก็กัดเข้ามาทางรสก็กัดเข้ามาทางเครื่องสัมผัสก็กัดเข้ามากัดเข้ามาทุกด้านเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นก็ไม่สบายออกจากที่แจ้งไปสู่ที่ลับก็ไม่สบาย ไปอยู่ล่มไม้ก็ไม่สบายไปอยู่ภูเขาก็ไม่สบายลงไปในน้ำก็ไม่สบายขึ้นอยู่บนบกก็ไม่สบายขึ้นอยู่บนกุฏิก็ไม่สบายลงอยู่ใต้ทุนกุฏิก็ไม่สบายไปอยู่ที่ไหนๆก็ไม่สบายเสียทั้งนั้นที่นี่เราจะตําหนิ้อะไรเพราะแผลนั้ตัวนอนคือจิเลตนี่เลยอยู่ในที่นั้นๆ แต่มันอยู่บนทีสะคือหัวใจของเราเองวิธีจะนำนอนออกจากทีสะนั่นคือเครื่องมือได้แต่สีเครื่องกำจัดนอนประเภทยากออกจากหัวใจของเราได้สมาธิกำจัดนอนประเภทกลางออกจากใจได้ปัญญาเครื่องมือกำจัดนอนคือกิเลสส่วนละเอียดออกจากใจได้เมื่อเราได้นำเครื่องมือทั้งสาม คือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปกำจัดหมู่น้อนคือกิเลสอย่างหยากอย่างกลางและอย่างละเอียดออกจากใจจนหมดสิ้นแล้วนั่งอยู่ที่ไหนก็สุโขวิเวภูมีความสงัดทั้งภายนอกมีความสงัดทั้งภายในใจไม่มีอะไรก่อกวนให้เกิดความของวนวุ่นวายไม่มีน้อนกัดน้อนใจเหมือนที่เคยเป็นมานี่เพราะอำนาจศีลสมาธิปัญญาที่ทันสมัยกำจัดกิเลสแม้อยู่ภายในใจ ให้หมดไปได้เพราะเหตุนั้นเราอยู่ในที่ไหนๆอย่าเป็นผู้ปรอดภัยจากสติจงเป็นผู้มีสติทุกๆอิริยาบถการเคลื่อนไหวไปมาการขบฉันการนั่งการนอนเย้นเสียแต่หลับเท่านั้นจงให้เป็นไปกับสติและปัญญาจะชื่อว่ามีธรรมรักษาตนจะเป็นผู้ปลอดภัยจากเวรอันหนึ่งภัยหรือเวร น, นั้นไม่มีใครจะ มาก่อร่างสร้างขึ้นให้ใครได้นอกจากตัวเราเองเป็นผู้ก่อเหตุทำเวรขึ้นมาใส่ตัวก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวผลจึงปรากฏเป็นทีรุ่มร้อนนี่คือความปราดเปจากสติถ้าเป็นผู้มีสติอยู่แล้วเรื่องทั้งนี้จะไม่มารังควานจิตใจของเราได้จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขทุกทุกเอียหมด การประกอบความเพียรทุกๆประโยคสติกับปัญญาเป็นธรรมสำคัญมากและต้องแนบกับความเพียรนั้นเสมอไปถ้าหากสติปัญญาได้ขาดจากประโยคแห่งความเพียร น, น, นั้นแล้วความเพียรเหล่านั้นต้องกลายเป็นโมฆะไป ท, ทันทีโปรดทราบไว้อย่างนี้ จะได้รู้สึกว่าสติกับปัญญาเป็นธรรมสำคัญอย่างไรบ้างการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกๆครั้งถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกํากับรักษาอยู่แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับเขาเดินเขานั่งธรรมดาในเอเบททั้งปวงต้องมีสติกับปัญญาประคองความเพียรติดต่อสืบเนื่องเป็นลำดับกิเลสจะยกกองพลมาจากที่ไหนจะมารบใจของเราได้ เพราะตัวของเราเป็นตัวกิเลสและเป็นผู้ก่อเหตุเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนถ้ามีสติปัญญาประจําอยู่กับบทธรรมหรืออาการแห่งธรรมที่ตนกําลังพิจารณาอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนก็เป็นการเตรียมดับเพลิงกิเลสทันหาอยู่ในตัวแล้วเพลิงกิเลสทันหาตัวไหนจําตัวใด จะมาจากที่ไหนจะมารังแกและทำลายเราให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีเลยนอกจากตัวเหตุดีชั่วเป็นเรื่องตนสังสมขึ้นเองเท่านั้นจงอย่าเห็นว่าทิเลทุกประเภทจะมีอยู่ในที่ต่างๆเข้ามาแทรกถึงหัวใจของเรา แล้วปล้นสะดมออกหัวใจของเราไปใจดวงเดียวอาศัยตาหูจมกูกลิน้นกายเป็นทางเดินเมื่อส่งกระแสออกมาทางตาจึงปรากฏรูปขึ้นมาส่งกระแสออกมาทางหูจมกูกลิน้นกายจึงปรากฏเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเครื่องสัมผัส ข, ขึ้นมาแล้วก็ถือเอาอารมณ์ ที่ตนรับสัมผัสนั้นๆเข้าไปสู่ใจกลายเป็นสมุทยัยก่อทุกขึ้นมาเราจะเห็นว่าอะไรเป็นตัวกิเลสเล่าเมื่อการก่อเหตุให้เกิดเป็นเรื่องของเราเองแล้วนี่เราจะเห็นได้จากใจที่ปราศจากสติปราศจากปัญญาปลอยตัวเองไปตามอำนาจของตัณหาเครื่องปรักดัน เขาก็ชุดลากไปสู่อารมณ์ต่างๆตามแต่วิชาควา ม, มงมงายและตัณหาความอยากไม่มีเมืองพอจะบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตอนเวลานี้เราบวชในพระศาสนาจะพยายามให้รู้ทางเดินของเสือโครง่งตัวสําขัญซึ่งเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือเดินไปตามกระแสของตาหรือจมูกลิ้งกายออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส แล้วนำเอาอารมณ์เข้ามาเป็นอาหารยินอยู่ในถ้ำคือกายนี้เพื่อบำรุงเสือโคร่งคื่อวิ ช, ชาให้มีกำลังกล้าแล้วสั่งสมทุกข์ให้เกิดขึ้นในตนทั้งวันทั้งคืนความเป็นทั้งนี้เพราะความไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นพี่เลี้ยงรักษาใจจึงเป็นช่องทางให้กระแสของใจเร็ดบรอดออกไปสู่อารมณ์อันเป็นพิษ มาเผารวนตนเองให้เกิดเรื่องเกิดราวอยู่เสมอฉะนั้นจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติและปัญญาอยู่ทุกๆุกอุอยาบทคำว่าโลกวิทูเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นธรรมหน่อยเลี้ยงอย่างไรต้องรู้ชัดทั้งโลกนอกคือสภาวะธรรมทั่วทั่วไปทั้งโลกในคือใจกับเรื่องที่เกิดจากใจ เพราะอำนาจสติกับปัญญาคัดก้าอยู่เสมอความบริสุทธิพุโทโธอันเด่น ด, ดวงเจะโผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของตนวันนี้ได้อธิบายข่าวของพระพุทธเจ้าแล้วข่าวแห่งสาวกทั้งหลายทั้งปฏิปทาที่ท่านจงนำเนินทั้งผลอันเป็นที่พึงพอใจที่พระพุทธเจ้าและสาวกสงได้รับมาแล้วเพื่อให้เราทุกท่าน ได้ยึดเป็นหลักฐานน้อมเข้ามาสู่ข้อปฏิบัติของเราเพื่อดำเนินให้เป็นไปตามแนวทางของท่านผลที่ได้รับจะเป็นที่พอใจหลักสำคัญที่ได้ย้าในวันนี้คือเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับผูหมุ่ทําตนให้พ้นจากทุกข์ในวันนี้วันหน้าต้องเป็นผู้หนักในสติสิ่งใดที่มาสัมผัส จงให้ทราบด้วยอํานาจสติและใคข้ครวญด้วยปัญญาทุกๆอย่างและทุกๆอาการที่มาสัมผัสจะเข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางในทางหนึ่งก็ตามจงพยายามฝึกขัดสติและปัญญากับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นๆสิ่งที่มาสัมผัส ทั้งหลายจะกลายเป็นหินลับสติและปัญญาให้ค่มข้าพขึ้นได้โดยลำหนับแต่ถ้าเราปล่อยจละตามอตัตโนมัติของใจแล้วสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะกลายเป็นข้าศิกต่อสติกับปัญญาและต่อใจของตนเอง้าลงเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลามีปัญญาคิดค้นอยู่เสมอแล้วเราจะกําหนดสภาวะธรรมอันใดไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในคือกายกับใจ จะต้องทราบได้อย่างชัดเจนเช่นจะพยยะิจารณาปะากฏการของเราตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงข้างในที่สุดแยกส่วนแบ่งส่วนแห่ ง, หงร่างกายทั้งหลายออกเป็นชิ้นเป็นอันได้ตามต้องการจะกำหนดส่วนล่านี้โดยทางไตรรัพ ก, ก็ได้คือโดยทางอนิจจังความแปรสภาพของส่วนต่างๆประจกักษ์อยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งร่างกาย ทั้งส่วนแห่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยทั้งส่วนแห่งสัญญาคือความจำไน้หมายรู้ทั้งส่วนแห่งทั้งขานคือความคิดความตุงของใจทั้งส่วนแห่งวิญญาณคือความรู้คือความรับรู้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพิจารณาโดยทางทุกขังความแปรสภาพของสิ่งเหล่านี้ก็ได้จะพิจารณาโดยทางอนัตตา ความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในสิ่งเหล่านี้ก็ได้สิ่งเหล่านี้จะประกาศไตรลักษณ์ประจาตนอยตลอดเวลาไม่หยุดยั้งนอกจากกติกับปัญญาจะไม่ติดต่อกันเท่านั้นจึงไม่ทราบมาสภาวะเหล่านั้นประกาศตัวอย่างไรบ้างคำว่านิจจังคือความแปรสภาพอยู่เสมอสภาวะธรรมข้างนอกโดยทั่วไปก็แปรภายในร่างกายของเราทุกส่วนก็แปร ความสุขทุกเฉยๆปรากฏขึ้นก็แปร ى. สัญญาความจดจำก็แปร ى. สังขารความคิดนึกของใจก็แปรสัญญาความรับรู้ก็แปร ى. แต่และอย่างละอย่างมีความแปรสภาพประจำตนอยู่เสมอความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาก็เป็นจักรตัวเดียวกันกับอนิจจังและอยู่ในเครื่องจักรคือใตรักอันเดียวกัน เมื่อจักตัวหนึ่งเริ่มไหวตัวจักตัวอื่นๆต้องเริ่มทํางานไปพร้อมๆกันถ้าเราพิจารณาด้วยความมีสติมีปัญญาประจำตนอยู่เช่นนี้จะไม่เห็นตัวจักคืออนิจจังคือไตรลักษณได้แต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทํางานอยู่บนร่างกายและจิตใจของเราและสภาวะธรรมทั่วๆไปได้อย่างไรเล่า เมื่อเห็นประจักษ์อยู่เช่นนี้จะมัวประมาทนอนใจอยู่อย่างไรว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นที่ไว้ใจได้แล้วนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวภัยทุกอาการของเขาหาความไว้วางใจไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวทั้งสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งสิ่งที่เห็นประจักษ์อยู่ในขณะ น, นี้ เป็นกองเพลิงเช่นเดียวกันคือจะอาศัยกายกายก็แตกจะอาศัยสุขสุขก็แตกทุกข์ก็แตกเฉยเฉยก็แตกสัญญาก็แตกสังขารก็แตกยินยานก็แตกทุกๆอาการต้องแตกทั้งนั้นแล้วจะอาศัยอะไรมีแต่ของแตกหักหมดทั้งหมดทั้งล่าง ถ้าถลิกกายเป็นเรากายแตกเราก็หมดที่พึ่งถือเวทนาเป็นเราเวทเวทนาแตกก็หมดที่พึ่งถือสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราริงเรานี้แตกเราก็หมดที่พึ่งโดยเฉิงเลยจะกลายเป็นปิตาถาอาศัยไรมีแต่จินแตกหักทั้งนั้น นี่คืออุบายของปัญญาคิดหาความรอบคอบไปตัวเองและพิจนารณาเน้นลงไปอีกว่าเรานั่งอยู่กับทุกนอนอยู่กับทุกอิริยาบถ ท, ทั้งสี่อยู่กับโรงงานแห่งไรลักษ์ตัวจักรทางานหมุนอยู่บนร่างกายและจิตใจของเราไม่มีวันปิดงานผลนายหน้าตกออกมาจากโรงงานเกื อ, อนิจังทุกข์ขังอนัตตา แผลไปทั่วโลกกระถาธผู้ไม่ฉล า, าดเพียงถูกสเก็ดก็ร้องครางไปาตามๆกันฉะนั้นใครกิงบ่นว่าทุกข์บ่นว่าเดือดร้อนบ่นว่าบกพร่องขาดเขินบ่นว่าไม่สะดวกกายไม่สบายใจบ่นว่าไม่สมหวังเพราะเราอยู่ในโลกไม่สมหวังเราอยู่ในโลกแปรปรวนเราอยู่ในโลกของ ใตรักคือนิจังทุกขังอนัตตาจะหาอะไรมาเป็นตัวเราได้เราเราอาใยเขาสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราถือว่าเป็นของเราเสียเมื่อสิ่งนั้นดับสลายไปเราจรึงเสียใจเราอยู่กับโลกที่ไว้ใจไม่ได้ทุกคนและสัตว์จึงต้องเดือดร้อนไปตามๆกันการพิจารณาอย่างนี้ก็ เพื่อจะให้เห็นว่าโลกอันนี้เป็นอย่างไรแน่นั่นเองอันหนึ่งการพิจารณาใจรักและการรู้เห็นในใจรักไม่ต้องถือเป็นความจำเป็นว่าจะต้องพิจารณาทั้งสามและรู้พร้อมๆกันทั้งสามใจรักษเพียงพิจารณาและเห็นเพียงใจรักหนึ่งเท่านั้นก็สามารถเป็นทราบไปทั่วทั้งสามใจรักได้ เหมือนคำว่าโลกวบิทูรู้โลกไม่จำเป็นจะ ต, ต้องไปนับเม็ดหินเม็ดทรายในแผ่นดินมีเท่าไรในท้องมหาสมุทรมีเท่าไรในแผ่นดินมีต้นไม้ภูเขาเท่าไรมีทรัพย์สมบัติสัตว์บุคคลเท่าไรคำว่าโลกวบิทูรูปเพลงของโลกรูปกลมมายาของใจตัวเอง ที่ไปสําคัญโลกว่าเป็นอะไรจริงไปยึดมั่นสําคัญผิดกลายเป็นพิษแจตัวเองจนปรากฏเป็นทิเดศปัญหาอวิชชาขึ้นมาให้เที่ยวเยวียน่ายตายเกิดในสงสารทุกแล้วทุกเล่าไม่มีวันจบขิ้นสักทีโลกวิดูรู้ตามเป็นจินซึ่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้ว ปล่อยวางไว้ตามสภาพของเขาเท่านั้นการพิ่จะนาตรายลักษณ์ก็เช่นเดียวกันในส่วนแห่งกายทั้งหมดนี้เราจะพิจารณาเพียงอาการใดอาการหนึ่งเท่านั้นสามารถจะทราบในอาการทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนแห่งกายด้วยกันและมีตรายลักษณ์ประจำตนเช่นเดียวกันเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาแล้ว จะพนถือมั่นสำคัญผิดอยู่อย่างไรต้องลอยวางเป็นลำดับตามส่วนแห่งปัญญาที่เห็นชัดแล้วเหตุที่ถือมั่นสำคัญผิดนั้นก็เพราะยังไม่เข้าใจชัดเหตุที่ยังไม่เข้าใจชัดก็เพราะกําลังของสติและกําลังของปัญญายัางไม่เพียงพอถ้าเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ทนถืออยู่ไม่ได้นีเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแล้วต้องปล่อยวางและรู้เท่าตานเป็นจริงไตรลักฝณ์ไฟรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับรูปกายของเราเป็นไตรลักษ์ส่วนหยาบเวทนาสัญญาสังขารสิญญาณเป็นไตรลักษ์ส่วนกลาง จิตที่มีอวิชชาครองตัวอยู่จัดเป็นประรักษ์ส่วนละเอียดประรักษ์ประเภทนี้มีประจำอยู่กับจิตที่เป็นอวิชชาคือจิตที่เต็มไปื้อยความลุ่มหลงขยับตัวออกขณะใดก็เป็นกิเลสขณะนั้นตรงค้นดูให้ชัด เพราะสภาวะทั้งหลายรู้มาหมดแล้วธรรมชาติอันนี้เป็นอะไรเองไม่รู้ตัวเองธรรมชาติอันนี้จะเป็นอะไรต่อไปหรือว่าธรรมชาตินี้เป็นเราถ้าเป็นเราเราก็ติดเราอีกเราตัวนี้จะไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นอีกในพบทั้งหลายไม่มีจบขี่ิได้เพื่อความรอบค้อบ เข้าเป็นลําดับเพราะได้ตัดกิ่งก้านสาขาคือพิจารณาส่วนใหญ่เข้ามาหมดแล้วต้องตัดลําต้นให้ขาดและถอนรากเหง้าขึ้นมาอีกต้นไม้นั้นจึงจะตายคิดหายไม่มีเหลืออยู่ได้มีเราตัดในรู้เท่ารู้เสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสในรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นส่วนใหญ่ของจิ่งเหล่านี้คืออะไรรากเหง้า ความรุ่มหลงคืออะไรผูมาถือกำเนิดเกิดเป็นธาตุเป็นขันคืออะไรนั่นคือตัวการคือตัวการก่อเหตุที่สาคัญจงพิจารณาให้เห็นธรรมชาตินั้นเป็นเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วความรู้อันนี้เป็นอะไรได้ทำความรู้เท่าและปล่อยวางตนหรืออย่าง ถายังไม่รู้ตนเองก็แสดงว่าเราฉลาดแต่ภายนอกส่วนภายในเรายั ง, งโง่หรือมากเพื่อความเฉลาดและลอบคอบเราต้องขยับเข้าไปพิจารณาธรรมชาตินี้อีกครั้งหนึ่งคือความรู้ที่เป็นเจ้าตัวการรากวัตักรรากความหมุนเวียนเชื้อแห่งกองทุกข์ทั้งมวลบรรจุไว้ในธรรมชาติ มีทั้งนั้นจงพิจารณาให้ถึงธรรมาชาติที่รู้ให้เห็นเป็นตจลักณอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมดีอันนี้จางแปรสภาพอยู่รอบตัวทุกขังหลงอันนี้ต้องเป็นทุกหน้าตาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนธรรมาชาตินี้เป็นตัวสมมุติ ที่ละเอียดยิ่งกว่าสมมติดใดๆในใจโลกฐานทั้งนี้โดยมากไม่มีใครจะพูดอย่างนี้ว่าธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษหรือไม่แต่ขอพูดโดยหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติเนรู้เห็นมาอย่างไรนํามาอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบเต็มกําลังของตนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้ปิดบังไว้ แม้จะไม่มีในตำร า, าแต่หลักธรรมชาติเมื่อพิจารณาเข้าไปมันปรากฏอยู่อย่างนี้เพื่อท่านนักปฏิบัติที่สนใจจะได้ถือไว้เป็นข้อคิดเมื่อคราวจําเป็นเกิดขึ้นแล้วจะได้นำมาพิจารณาแก้ไขตนเองเพราะท่านนักปฏิบัติที่สนใจในธรรมอันยิ่งด้วยความเพียรจะต้องผ่านธรรมชาติ จะต้องผ่านทรรมในหลักธรรมชาติที่กล่าวมานี้อย่างแน่นอนทั้งจะได้ทราบในหลักแห่งสวรขาธรรมและนิยา น, นิกธรรมที่พระพุท ธ, ธเจ้าประทานไว้แก่ผู้สนใจในธรรมว่าไม่เป็นโมกะธรรมไปตามทั้งยาความคาาหมายเสียทีเดียวยังมีสันพิธิโกแฝงอยู่บ้างธรรมของพร ะ, พ, ระพุท ธ, ธเจ้า จะได้เป็นพงชัยให้โลกได้พิจู์ข้อเทศจริงต่อไปการพิจรารณาผู้รู้ที่เป็นตัวสังเสดจักเพื่อให้ท่านนักปฏิบัติได้เห็นจุดจบแห่งภพหรือที่สุดของโลกอันแท้ จ, จรงิงลุงไา้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่ารู้โลกแต่กลับมาหลงธรรมในตัวเองผลจะท้อนเลยกลายเป็นหลงทั้งโลกหลงทั้งธรรม เพื่อความรู้โรครู้ธรรมอย่างแท้จริงตรงพิจรารณาลงจุดผู้รู้ที่เด่นดวงจนเห็นว่าเป็นตัวโทษหาจิ้นดีไม่ได้ด้วยปัญญาที่ทันสมัยใจตรงนี้เจระเบิดเชื่อวัตตะออกให้ดูอย่างเต็มใจพร้อมทั้งความเห็นภัยจนหน้าใจหายขึ้นในขณะนั้นเช่นเดียวกับเราไม่รู้ ไปยึดเอาที่หลับนอนในถ้าเสือซึ่งเขาอาศัยอยู่เป็นประจําได้ยินเสียงเสือกระหึ่มเข้าใจว่าเป็นเสียงคล้องเสียงกรองมีแต่เงียหูฟังอย่างเพลินใจแต่พอมีคนที่เขารู้ว่าถ้าเสือนอนและนี่คือเสียงเสือกระหึ่มด้วยความพึงหวงท้าเพียงได้ยินเขาบอกเราเท่านั้นก็ ตัวลอลออกมาด้วยความอกสั่นควัญหายไปหมดโลดเต้นออกมาด้วยความกลัวจนไม่มีสติยับยั้งว่าระยะทางที่วิ่งออกมามีอะไรขวางหน้าอยู่บ้างยังไม่ทันจะคิดเพราะชีวิตมีราคาสูงมากนี่เสืออวิชาพระหุ่มขณะจะตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบรรดาท่านที่เคยผ่าน เืออวิชามาแล้วอย่างโชคโชนจะไม่ให้ท่านกลัวอย่างในเล่าที่ยังเห็นว่าเสียงเสืออวิชาเป็นเหมือนเสียงค้องเสียงกรองก็คือพวกเราคู่กาลังเป็นอวิชาอยู่เท่านั้นท่านที่เป็นวิชาไปแล้วได้ยินแต่ข่าวก็กลัวพอวิชาถูกระเบิดแตกกระจายออกแล้วนั่นแหล เราพ้นจากถ้าเสือแล้วพ้นแล้วจากแดนแห่งความสมมุติแดนแห่งความยุ่งเหยิงแดนแห่งความบกบค่องแดนแห่งความเกิดแต่เจ็บตายจิตที่เป็นสมมุติกับกิเลสซึ่งเป็นตัวสมมุติด้วยกันเกาะกันเข้ากลายเป็นก้อนสมมุติขึ้นมาพาให้สัตว์เย็นไหว ธรรมชาติที่น่ากลัวนี้เราพ้นไปเสียแล้วบัดนี้จิตของเราไม่ใช่จิตสมมติแต่กลายเป็นยมุตติจิตขึ้นมาชื่อว่าปัญหาต้องเที่ยววกเวียนที่เคยเป็นมาได้ตัดสินกันแล้วในวันนี้นับแต่ขณะนี้ไปเราจะไม่เป็นผู้ต้องหาขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อแก้คดีแกวหาจากวิชาอีกแล้ว อวิชาผู้พาเกิดพาตายได้แยกทางเดินกันกันกบเราแล้วในวันนี้อิกของเราถึงแล้วึ้นทามันไม่เท่าวิสัยของอวิชาจะตามดื้อแยงอีกต่อไปนี่อุทานของท่านที่หลุดลอยออกได้าจากถ้าเสือข่าวของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินอย่างไรยิงถึงแดนแห่งความเกษม เราควรดำเนินตามแนวทางของท่านเป็นลําดับมาจนถึงธรรมชาติที่รู้อันเป็นสาหายของอวิชชาและได้ถูกทําลายโดยชื้นเชิงด้วยอานาจของปัญญาจากนั้นไม่มีสมุติใดๆเข้าเครืองแฝงแต่ธรรมชาติที่ไม่ใช่สมุตินั้นท่านให้นามแฝงว่านิมุตเพื่อให้ลงกันได้กับโลกที่มีสมุต ทั่วทั่วไปขอให้เป็นข่าวของพวกเรานะับปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้รู้เห็นได้อย่างนี้ด้วยปัญญาชื่อว่าไม่เสียดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บวชในพระพุทธศาสนาและได้ดาเนินตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจนเต็มกำลังความสามารถทั้งด้านความเพียรเพื่อแก้ที่เหลื อ, อาชวะ ทั้งแดนแห่งความลุพ้นก็สุดขีดความสามารถอีกเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านจงน้อมเอาธรรมที่งจงประทานไว้แล้วด้วยพระเมตตามาปฏิบัติหากว่าจะปิดพระโอดไม่ทรงโปรดสัดผู้ยากจนเช่นอย่างพวกเราทรงเข้าสู่นิพพานไปเสียก็สุดหวัง ผู้ตั้งแต่ตามเฉลต์เพระ อ, องค์ท่านโดยทางธรรมตามบทธรรมเป็นภาษาของเราว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระสระธานอแต่ไม่ทรงเห็นอย่างนั้นจึงโปรธประทานร่องรอยไว้ในธรรมทุกบททุกบาทโปรโดทราบว่านั่นคือศาสตาผู้ใคร้ต่อธรรมชื่อว่าใคร้ต่อศาสตา ลงน้อมาปฏิบัติเต็มกำลังผลที่ได้รับจะเป็นไปตามธรรมที่ศาสนาปลัดไว้ทุกประการนับแต่ขั้นต้นจนถึงยุทธภริพานจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศกระนาเทียงเท่านี้เอว